พระไตรปิดกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้โดยสมเด็จพระพุทธโคสอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธโตนามเดิมของท่านคือประยุทธ์อารยางกูลนามปากกาว่าปออประยุทธ์โตเสียงอ่านโดยชมรมผลดีสำหรับเสียงอ่านชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบเสียงอ่านพระไตรปิดก พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้คำรารรรพวารสารมนุษยย Journal of Humanities ของสนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉบับพิเศษ4 2002ว่าด้วยพระไตรปิฎกได้ตีพิมพ์บทความของอัตมาเรื่อง What a true Buddhist should know about the Pali Canon บทความข้างต้นนั้นเป็นคำแปลาภาษาอังกฤษของเนื้อความที่เลือกมาจากข้อเขียนภาษาไทยของอัตมาสามเรื่องผู้แปลคือดตอร์สมศรียาณวังสะราชบันดิตและรองศาสตราจารย์แห่งสถาบันภาษาจุลาลงกรมหาวิทยาลัยได้เลือกเนื้อความจากแหล่งทั้งสามนั้นมาจัดเรียงให้เป็นบทความที่สั้นลงแต่มีสาระจบสมบูรณ์ในตัวบทนี้ผู้แปล โดยการสนับสนุนของคณะผู้ศรัทธามีอาจารย์พาวันหมอกยาแห่งคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นต้นได้ขออนุญาตนำบทความดังกล่าวนี้มาพิมพ์เป็นเล่มต่างหากชื่อว่าพระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้เพื่อเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอัตมาภาพขออนุโมทนาเพราะบทแปลที่จัดเรียงใหม่นี้เป็นประมวลความที่กระทัดรัต จะเป็นคู่มือในการศึกษาพระไตรปิฎกช่วยเสริมความเข้าใจในพระพุทธศาสนาได้พอสมควรอันหนึ่งเพื่อเสริมคุณค่าของหนังสือเล่มนี้ผู้แปลได้นำเนื้อหาภาษาไทยที่สอดคล้องกันมาบรรจุลงไปด้วยในหน้าที่คู่กับฉบับแปล ى, พร้อมทั้งปรับถ้อยความทั้งสองฉบับให้เข้ากันจึงหวังว่าผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง จกได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการอ่านเนื้อหาทั้งสองภาษาควบคู่กันลงชื่อพระธรรมปิดกยี่สิบสี่เมษายนพุทธศักราช2546หมายเหตุผู้อ่านสำหรับหนังสือเสียงเล่มนี้บันทึกเสียงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2560ซึ่งปัจจุบันท่านเดชเลือนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์แล้วนะครับ